ฟังธรรมเพื่อให้เป็นรลักติการของการใช้ชีวิตรเรานำไปปฏิบัติเช่นพระรีเจ้าทั้งหลายเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปปฏิบัติตาม เช่นพระอัญญาพเช่นพร ะ, หปปะมหากัจปะมหคัจปะวดเพื่อแจกรื่นลาวคราวเดียวกับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันสูงนุ่งผมว่าจีวรระดับเดียวกันก็พุทธเจ้าก็ทรงสังสอนมหากัจ ป, ปะว่า กัจจปะเอย้เธอบวดเมือเ่อยจงมีผมลอายขอรบพระผู้เท่าพระผู้ปานกลางขารบพระผู้หนุ่มกัจจปะเอ้อยจงมีงมสติภายในกายอยู่เป็นประจำกัจจปะเือเธอจงเงี่ยหูฟังในเวลามีคนบอกคนสอน เจ้นี้กัจจปะก็มีรติการเอาคําสอนนี่นําไปปฏิบัติจนได้เป็นพระหารได้ต่าโมกขลาดก็มีรติการเอาคําคําสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติว่าเธอจงมีโมคคราดเอ้ยเธอจงมีสติทุกเมื่อ จงมีสติภายในกายจงมีสติทุกเมื่อไม่จุลาดใจตาไม่ทันเขานำไปปฏิบัติและมีศรัทธานำอธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไปปฏิบัติมันก็มีทางที่จะแก้ได้ทุกเรื่องแค่เราปฏิบัติธรรมนี่ ร เ, เรามีความรู้จึกตัวก็เพื่อแอก้ความหลงเรามีความรู้จึกตัวก็เพื่อแก้ความโกรธความทุกข์อะไรต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกตัวไปในกายเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายก็จะไม่หลงเรามีความรู้สึกตัวอยู่ที่จิตใจเวลามันคิดขึ้นมาไม่หลงในความคิด นอกจะมีความรู้สึกตัวภายในการแก้ไขความคิดได้ทุกเรื่องมันก็มีทนี้ดักปฏิบัติแล้วก็มีการมีใจถ้าเรามีมรติการแล้วก็แก่เพราะกินข้าวแก่เพราะอยู่อายุมาก หรือบวชนานไม่มีประโยชน์ต้องมีรัติการนำไปปฏิบัติแบบนี้จึงจะเป็นวิสัยของพระรีเจ้าอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งจึงจะพ้นจากภัยพ้นจากปัญหาเมื่อมีปัญหาก็มีปัญญาเราจึงนำไปปฏิบัติการบอกการสอน การมีศรัทธาไม่เสียหายไม่เหมือนกับมีทรัพย์เสียนเงินทองยังมีโอกาสเสียหายเพราะหลายอย่างมีโจรบ้างมีไปไม่น้ำท่วมอะไรต่างๆทั้งไม่เสียหายได้แต่รัติการแห่งธรรมนั้นไปปฏิบัตินี้ไม่มีโอกาสเสีย ไม่เสีอหายเพราะโจรเพราะน้นําเพราะไฟเพราะอะไรต่างๆมีอยู่ในชีวิตเราเรานําไปปฏิบัตินี่ยิ่งเรามีกรรมฐานมีสติมีลัติการแบบนี้ในเวลาหลงรู้เวลาทุกข์รู้เวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับป่ากับใจให้เรารู้จึกตัวเนี่ยให้มีลัติการแบบนี้มีศรัทธาอย่างนี้ เมื่อมีศรัทธาแบบนี้ก็ไปทำทำแล้วก็ปีผลเอาไดทีม่มันหลงไม่ศรัทธาใความรู้จักตัวได้ทุกโอกาสไม่มีการไม่มีเวลามีคื อ, อเดียชทรภายในไม่จนเลยไม่จนต่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายไม่จนต่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เราถ้าเราไม่จนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งไม่ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติอีกมันก็มีเท่านี้ชีวิตเรานเอาจะปล่อยทิ้งก็มาถานเนี่ยทีๆสั่งหน่อยมาไ ว, ไว้ๆจิติมาไ ว, ไว้ๆอะไรที่เกิด ข, ขึ้นกับกายหัดฝืนหัดตน้นสอนตน้นฝึกตนุน เราตีมาไวๆไวที่เกิดยิ้งใดที่เกิดขึ้นกับจิตใจหั ด, ด, ด, ดให้มันไวเพราะมันทําไมจึงจะไวได้เพราะเราลู่อยู่เป็นประจำเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งที่มามันมาทีหลังจนชำ น, นีิชา น, นานแต่นี้เราปล่อยเที่ยงซะไม่ไหวหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกข์เป็ น, กป น, กปนกโกุศ อต่างๆไม่ไหวจ้าไปมัก็เสียไปแล้วการเสียที่เล็กแต่น้อยนี่มันก็เสียมากนะเช่นใช้เงินใช้ทองชิลบาท2บาทนี่ในความประมาทไม่คิดอะไรแต่เงินร้อยเงินหมื่นเงินผันเงินแสนเงินล้านก็ตั้งต้นจากกันหนึ่งบาท แต่เราไม่ค่อยคิดมาก่ายจะลุยจะไล่ตอนนี้ก็ชอบภายในก็เหมือนก่นอนจากความหลงนี่ก็ไปไกลนะจนได้นะจนต่อที่ชอบได้นะอรไรชอบของชีวิตเราที่ไม่เกิดไม่เก็บไม่ตายเพราะรอบอันดี ถ้าหลงอยู่ที่กายก็ไปกายตาหูจบุกลิ้นกายใจก็ไปหมดเกิดกรเกิดโลูกกดทุกข์เกิดเอาต่างๆไปกายจนถึงชาติชลามมโะโศกประเพริบกรทุกเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าหลงที่ใจก็ไปกายเป็นพอเป็นชาติเป็น อมายเป็นใ น, นโลกเป็นสติชานเป็นวิสุทกาเป็นปอใต้หลงที่จิตใจชีวิตของเราที่มันมีภูมิภบที่มันมีคติใหม่ๆมีอะไรที่เพิ่งได้ถ้าเราไม่หาตนสอนตนนีไม่มีใครให้เราได้อาริชาภายในนี่ ไม่มีใครให้เราได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้มันมั่งมีขึ้นมาจะได้ไม่จนเดี๋อะไรที่มันหลงรู้เวลาไรที่มันทุกรู้ไม่มากเพราว่าจะรูส้สากตัวเป็นตัวเฉลยเป็นเลยซับไม่จนเป็นผู้ไม่จนชีวิตไม่เป็นเหมือน นี่คือคดลัติการของการใช้ชีวิตได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้บทเรียนได้ประสบการณ์เราจึงมาต้งต้นที่หลงที่ลู่ ไม่มีใครไม่เห็นไม่ต้องส่งไม่ต้องเสี่ยงเราพลิกเหมือขึ้นเราก็รู้เรายกมือขึ้นเราก็รู้ที่กายสิ่งใดที่ไม่ใช่ความรู้ก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นความรู้สุกตัวแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกอย่าง จะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยควาง่งเหงาหอนก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้เปิดวิธีใดวิธีหนึ่งมีอุบายมีความฉลาดให้เกิดความรู้สึกตัวได้โดยไอ้ที่บทใดอัลีบทหนึ่ง โดยตาใดที่ส er so ิ่งนี้เกิดขึ้นก็หลงกับใจแล้วก็รู้จักตัวได้ส่วนความหลงที่ใจคือตัวหานของใจจิตใจคือมันคิดก็รู้จักตัวซะก็จะได้เห็นอย่างนี้ได้แก้ความร้ายเป็นความดีถือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูก ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยน บ, ยบย่อยๆสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นก็มีให้หลงมีรู้เท่านั้นแหละไม่มากภาวาที่หลงราวาที่รู้เท่านั้นไม่ได้มีเวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สไม่กินพื้นที่ เราจึงหัดตนสอนตอนเพื่อให้มีความชำนิชำนาญมันก็จบเป็นถ้าเราหัดฝึกหัดหลงข้างหนึ่งรู้ข้างหนึ่งหลงอีกข้างที่สองรู้ข้างที่สองแก็เขี้ยวกันอย่างนี้ตรงกันข้ามอย่างนี้ทำแล้วทำมาทำ นำไปสูน่นรกทำย่อมนำให้สู่สุคติมันก็ต่าง ก, กันอยู่เ ป, เป็นกรอบเป็นกมขึ้นมาอยู่ไม่ใช่จะได้โน่นได้นี่ได้อาริชาบไม่ใช่เป็นได้เหมือนได้ทชาบายนอกไม่จนต่อกายอาริชาบไปในไม่จนต่อจิตใจ อะไรที่เกิดขึ้นไปลายไม่จนแม้แต่ความเจ็บไข้หรือป่วยก็ไม่จนอะไรก็ตามไม่จนถึงโดยที่เกิดขึ้นกับใจก็ไม่จนเราจึงต้องให้มี อ, อิสระภายใน อ, อิสระภายในเหมือนกับอาชีพเชนิดหนึ่งของจิตวิญญาณทำให้อาชีพสองอยาง อาชีพทางกายก็ต้องเรียกธรรมาหาจิน้ดยจากตัวบทกฎหมายโดยจากการใช้ชีวิตโดยจากระเบียบวิ น, นัยอาชีพทางจิตวิญญาณคือธรรมะจะให้จนถ้าจนทางจิตวิญญาณ ก็ทุบ ป, ประเทืองปทองรูปประทอมเราจึงไม่ประมาทจะได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติดูดีๆมันมีแต่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มีสติเป็นดวงตาได้เห็นได้พบเห็น เห็นอย่างเก่าก็ชะลอกาเก่าทำไม้ชำนาญลงหัดเรื่องใดก็ชำนาญเรื่องนั้นหัดจิตวิญญาณกุจสติปัญญาตามร่างกายตลอดหัดอะไรก็ชำนาญอย่างนั้นทำได้ อัตกรรมศิลปรกรรมทางแสดงออกทางร่างกายจิตสัมผัสย์ญญแสดงออกทางร่างกายจิตใจก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์เป็นสมาธิเป็นปัญญา ปัญญาที aj ่ได้จากกองสังขารคือกายเคใจนี่ที่ว่าปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะนี่จะเนื้อเก็บตายจนปัญญาที่ได้จากพัตกรรมสินลประกรรมมันังเก็บยังเก็บยังตายเหมือนพระพุทธเจ้าไปโปรดความไม่ฉาีทิฏิ ยืนบินทำบาดหน้าบ้านทามไม่ฉาทิฏฐิไลหนีก็ยังไม่หนียังอื้ยืนอุ้มบาดอยู่หน้าบ้านทามก็ดาเกิดเป็นบันไหนมาขอแต่ข้าวขอกินไปทำมาหากินพเจ้าก็อดว่าทุกคนครามแล้วก็มี ธมหาจินงั้นพร้อมหาจินอะไรมีแต่บาทไปเดียวไม่เห็นมีเลย่ยมีนากับเขามีหมอดินม่เดียวอุ้มอยู่นี่ไม่เห็นธมหาจินที่ตรงไหนเนื่อนาล้วก็มีพร้อมดูก่อนคร้มศรัทธาเหมือนหน้านาของเรา ความเพียรเหมือนน่าผลสติตสมชยะเหมือนข้าวปลูกเข้าพืชมีสมาธิเหมือนกับขา้ากับไถมีปัญญารู้จักเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเหมือนการรู้จักไายน้ำเข้าไายน้ำออกได้ผลหรือมักคือผล มีแล้วมาเก็บไม่เก็บไม่ตายจนพรามมีข้าวกินแล้วยังเก็ยังเก็บยังตายพรามไม่ใที่ทีก็งงอะไรให้พูดอีกให้ฟังหน่อยให้หมุนขึ้นไปบ้านเชนขึ้นไปบ้านไปพูดให้ให้ลูกให้เมียฟังดูมันเรื่องอะไร เาจู่ก็รบบาดขึ้นบนบ้านให้แสดงทรรมให้กรอบให้ขัวฟังครอบขัวของมิฉาที่พรามเกิดจตหาขึ้นมาเห็นสงทางชีวิตเหล่านี้อาชีพตั้งกายอาชีพตังจิตวิญญาณอาชีพตังจิตวิญญาณเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเราไม่ใช่มาเกิดมาเจ็มาเจ็บมาตาย มันหม่คิ้อีกครั้งหนึ่งมองเห็นที่ินทางก่อชดทานนำไปปฏิบัติจุดวัตรจีการของชีวิตของพระเดียเจ้าตั้งต้นให้ได้มีสติปัญกาอยู่เป็นประจำลองดูเหมือนพระมาหาขจัปปะ เหมือ น, นกับพระโงคคัลาดจะได้เป็นพระหันเก็นพระเอวคนชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าเราไม่มีราติการที่ตั้งต้นวันนี้ก็แจ่ไปชั่วโมงหนึ่งวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วอีกไม่กี่วันก็กถึงปีใหม่ มันมีอะไรเกิดขึ้นที่เราชิดของเราที่ผ่านมามาส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่โดยให้ชีวิตใหม่ๆเวลามันหลงให้รู้ได้ใหม่ซะอันหลงให้เป็นอันเก่าไปซะเก่าไปตามปีไปมันใช่ไม่ได้หลงให้ใหม่ใ ห, ม ใ, หมให้มีควมรมรู้จึกตัวมันทุก ให้ไม่ทุกข์มันโกรธให้ไม่โกรธหนื้อทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจะได้ใหม่เรียกว่านาวัชชีวันชีวิตที่ใหม่หัวเ ก, โก่าจีบป้จีปียึดถือไม่เห็นจะให้มันหลงจะให้มันโกรธจะให้มันทุกข์มันจืดมันไม่มีไ ม, มไม่มีค่าไม่มีค่าเหลือศูน ให้มันเหลือศูนย์ลงดูเดี๋ยวนี้มันมีค่าความหลงก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่าความกลัวก็มีค่ารับใช้ความหลงเมื่อหลงที่ใดก็หลงทุกทีตัวโจทย์ใหญ่ที่สุดโจทย์ของชีวิตที่ใหญ่คือตัวหลงเป็นโจทย์ชีวิตเราเราต้องเป็นพิพากษา ให้พ้นจากโทย์ดีให้เกิดกวามทําต่อชีวิตเรามีสติพิภากษาตัวเองเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธถ้าโกรธเป็นโกรธเราก็เป็นจําเลยของขวางโกรธหลดชาดหลดพบเมื่อยังไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์อยู่ก็ต้องมีแก่ไม่เจ็บไม่ตายเวียนไม่ตายเกิด เราเกิดทุกเกิดโกรธจีข้างจีหอนเคยเปลี่ยนบ้างไหมมันมีควมไม่โกรธมีความไม่ทุกข์มีความไม่หลงอยู่แบบ น, นี้เราไม่ต้องจนเรื่องนี้เราทําเป็นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมีสติเป็นในกายเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนดูแลกายใจเป็นแล้ว แั้ก็มีกายมีใจเท่านี้มีสติเป็นเจ้าของดูแลกายใจปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกายมารูแลใจของเหล่านี้ให้เหมันคุม้มอย่าปล่อยทิ้งปล่อยให้นอื่นมาครองอยู่ในมือของงาน หลงข้ามบานข้ามคืนโกหข้ามบานข้ามคืนไม่รูอยากแก้ไขแก้ก็แก้ไม่ได้เพราะม่ได้หัดหยุดไม่ได้ความคิดก็หยุดไม่ได้ความโกหกก็หยุดไม่ได้ไม่ได้หัดไม่หลงสนองไม่ฝึกไม่เคยรูปแบบนี้เรามีเชั้ภูมิที่ดีมีสติดูกายดูใจอามาก็เห็น เป็นสนามลบมาแล้วไปเปลี่ยนหลงเป็นลูกมาแล้วโค้ดเจดวันจบวันนี้ได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกลูกหน้าตาของความหลงเห็นความหลงเห็นที่เต็มทางไปเปลี่ยนไปเป็นความลู่จิกตัวในความหลงก็กลายเป็นความลู่ได้ ยอดเยี่ยมในความโกรธกลายเป็นความรู้ได้รู้จักทอรรมเป็นเมื่อเปลี่ยนตั้งแต่นี้มันจะเก่งไปเจ่งไปเวลามันเก็บเวลามันแคร์เวลามันตายมันจะไม่จนตรงโน้นพรามันเห็นเห็นเหเ็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปคำนาม ได้บอกได้ว่าเจึงใดที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนอย่าไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอาการรูปทำนามธรรมนี่เกิดขึ้นแล้วเ จ, เจ็บเกบตายไปรูปทำนามธรรมนี่เกิดขึ้นแล้วหายไปไมี่แล้วหายไปรูปทำนามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนของเรา บางทีเราไปยืดเอาความโกรธว่าเราโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นกับนามเป็นอาการของนามไม่ใช่นามแต่การตุกัดที่มันจรมาไม่ต้นรับอย่งที่บอกแล้วเมื่อมีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจก็มีความเป็นใหญ่มีความชอบธรรม สามารถบอกคืนได้ความหลงเกิดขึ้นบอกคืนมีความรู้ไปแทนที่บอกคืนไม่ต้อนรับไม่ให้สถานที่ไม่ให้ค่าไม่ค่าความหลงไม่ค่าความทุกข์ไม่ค่าความโกรธต่อติเป็นเจ้าหวานเป็นเจ้าเลื่อนเจ้าบ้านเจ้าเลื่อน มีความเป็นธรรมความโกรธความหลงความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อกายต่อจิตก็ไม่โกรธก็ไม่หลงก็ไม่ทุกข์เป็นธรรมต่อกายต่อจิตจะเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาระหว่างการระหว่างจิตเมื่อเกิดความเป็นธรรมก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นัญญาศีลก็ช่วยสมาธิก็ช่ว ย, วยปัญญาก็ช่วยาไม่มีพิษมีภัย เราจบเราเรียกตัวเองคุ้มแล้วก็ถ้าหาว่าเจ็บไข่เด็ป่วยถ้าเรามาช่วยตัวเองก่อนเราใช้แต่คนอื่นเราต้องช่วยตัวเองก่อนเวลานเจ็บเห็นมันเจ็บเมื่อใดเป็นผู้เจ็บความเจ็บเป็นนันหนึ่งภาวะที่ลูกเห็นความเก็บเป็นนันหนึ่งตัวภาวะที่รูกที่เห็นนี่มันจะใหญ่ ใหญกว่าความเก็บเห็นความเก็บเป็นนาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรูปผูมนามดนชำนิชำนานฝึกตนสอนตนไปอย่างนี้ให้ความสำคัญกับกายกับใจให้เกิดความเป็นธรรมให้เห็นให้พบเห็นเมื่อเห็นแล้วก็หลุดพ้น ก็ไม่เห็นไปเป็นเขาซสาอก็หลุดพ้นระยยากเราก็ไปหลงมนทิงที่หลงหลงก็ไปไกลเราจึงมีความรู้ก็ไปไกลมาแ่มามาพิภาคษาตัวเองทอมหลงเป็นโจทย์ตัวใหญ่หลงกายหลงใจ จึงวิรัติการนำเราทำคำสอนผู้เจ้าไปปฏิบัติมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอสิ่งที่เราหลงนี่คนอื่นเขาไม่หลงแล้วสิ่งที่เราทุกข์อยู่นี่คนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่เราโกรธอยู่นี่คนอื่นเขาไม่โกรธแล้วมีในโลกนี้ ได้เรายังหลงยังโกจธยงทุกอยู่ถือเวลาสมัยแล้วคนอื่นเขาไม่เขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะมองว่าตีรวบเหมืนต่างกันอยู่ในสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงในสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกข์โดดออกไปในความมืดก็มีแสงสว่างอย่าไปจนตุกความมืด ยิ่งเรามีกรรมฐานจะเห็นแสงดิบปลีแต่ออกไปทางนั่นแหละยกมือขึ้นรู้สึกตัวฉายมาอามายอกมาฉายขนดวงมาเล่งออกมาสิบสี่จังหวะท่นานอกมามจะสว่างขึ้นมาในความมืดอย่าเพิ่งไปหาแนวร่วมกันเดวลาที่มันคุชิดก็มาหลุนนิ่งเสียก่อนเด็กทีม่มอง อยู่ในบนรถไหมอยู่ที่ไหนใช้ได้ทั้งนั้นตัวผมรู้จักตัวกระดีกนิ้วเล่นๆก่อมคิดที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจนอกท่วมเครียดขึ้นมาคิดถึงเรื่องนําท่วมทําไมทําไมทําไมทําไมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นม่น่าจะเนอย่างนี้เกิดผูกบัดรแล้วดึงแน่นก็ไปเครียดจบสิทธิ์หลงตาก็ตายไป จากการน้ำท่วมช่วยตัวเองเราก็ช่วยคนอื่นจิตอาสาไปิก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างชอบพันเ้วเคยบวชที่นี่ตอนมาม่วงลำใหญ่ลิงจีอยู่นี่เขาเป็นคนปลูกรวมการกันหลงตาสมัยใหม่ๆ พัฒนาวัตดีขึ้นมาแล้วก็ตายไปแล้วได้แปลเขาศพเขาไปดูเวลาเขาตายไปดูไปเพาะศพเขาไปด้วยจิตที่สมัครใจไม่ได้นิมนต์ถ้านิมนต์ไม่ไปไปในงานพิธีไม่ไปไปช่วยเหลือ เราก็ได้ทำแดงออกตควขมลักไม่ให้ขาตกบกพร่องต่อทำหน้าที่ไม่เห็นแก่ตัวต่ละเชื่นความดีสะพานความดีจะทำจนหมดชีวิตคนอื่นช่วยเรา พ่อแม่ช่วยเรามาสัคาคันแห่งความช่วยเหลือนี่จะเอาชีวิตนี้ไปช่วยเหลือจริงใดที่เป็นประโยชน์ไม่มีคนให้ช่วยเหลือไม่มีคนให้บอกกระทรว่ก็ช่วยเหลือธรรมชาติเร า, าหายใจได้จากอากาศเราจะช่วยอากาศเราอยู่บนแผ่นดินจะได้ทำความดีต่อแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำจึงเราหนี้ช่วยเรา จะไม่ประมาทกับสิ่งที่มีคุณต่อเราแม้แต่อะไรก็ตามชีวิตของคนแท้ๆนี่คุณค่าที่มีประโยชน์เวลาคนหลงจะกลับเป็นเพื่อนคนหลงไม่หลงก็ได้เวลาใครมีทุกข์จะเป็นเพื่อนของคนทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่หลังเกียดีิเล่าชี้ยะก็ไม่หลังเกียรถ้ายินดีจะให้ช่วยจะเป็นเพื่อน เพราะฉะนั้นสะพานแห่งความช่วยเหลือเนี่ยไม่ขาดลรอกเลยถ้ายัางมีมือห้านิ้วจีบนิ้วมีเลี้ยวมือแรงขอที่จะตายเห็นพอทีจะพูดออกมาสักคำเวลาคนหลงก็จะบอกว่าไม่หลงก็ได้เวลวคนทุกข์ก็จะบอกว่าไม่ทุกข์ก็ได้เวลวคนมีโกรธก็จะบอกว่าไม่โกรธก็ได้ควรโกรธไม่ถูกต้องก็ไม่โกรธถูกต้องจะบอกอย่างนี้ เวหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องจะบอกอย่างนี้สิ่งที่บอกนี้มันเป็นตามันเป็นเลนมันเป็นรัตติการอยู่กับทีวิตทุกิวิตนำไปปฏิบัติไม่ใช่เสียหายไปกับวันตําเวลาแม่แต่คำสอนพริเจ้าสอง0ันหร้อยปีอีกวันที่หนึ่งนี้ ใช่ไหมสองพันห้ารอยสองพันหกรอยยังริงอยู่สมงไม่นนไหนีไปไหนทำรงสอนเดียวนำมาปฏิบัติเวลาไหนก็มีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเราจะไม่ทอดไม่ทิ้งมีศรัทธาทั้งนั่น ยิ่งสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมั่นใจร้อเปอร์เซนเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้จริงๆเรื่อความโกรธก็มันก็ไมาได้ขี่ช่างขี่มา้ามามามเกิดเป็นอาการที่เกิดกับกิตเท่านั้นเอง เ, เ, เ, คคเคยเสียเปียบความโกรธขนหัวลุกเคยชี้เปรียบความทุกข์มันไม่จริงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรสติเนี่ย รู้สึกตัวเนี่ยเปลี่ยนมันเราดูหัใจเข้าหัวใจออกได้เห็นแข็งเห็นชัดขึ้นไปนในความเศร้าหมองอาจจะมีความยิ้มยิ้มขึ้นมาจะได้เห็นนี่มันยิ้มมันมั่นใจนเห็นตัวนี้มั่นใจรู้แล้วรู้แล้วมันกับคณหมอตรวจโลก หมอที่เก่งต้องลู้จักรสาลของโลกบอกโลกถูกการใช้ยู่ใยาเหมือนกันหมดเช่นหมอ ต, วตรวจโรคของตาเเป็นโรค ก, ก้อนเนื้อโตเร็วมนเห็งก้อนเนื้อโตเร็วอันดับสุดท้ายมีอย่างเดียวคือให้เคมีโมไม่มีอันอื่นอีกแล้ว สมุทฐานตรวจไตรูลแล้วให้กีโมเข้าไปหายขึ้นมาแต่โลกที่เกิดก็กำกากับใจนี่ไม่มีอะไรทั้งหมดมีรรสพุทธลัตตนังธรรมลัตตนังสังขลัตตนังรู้ได้เห็นเปลี่ยนมันได้ในความแก่มีความไม่แก่ในความเจ็บมีความไม่เจ็บ ใ, ใ, ในความตายมีความไม่ตายหัด มาตั้งแต่ภาวะที่มันหลงเนี่ยลูกขึ้นมาลูกขึ้นมามันจะไปไกลแนละ้วก็แสพไ ด, ไได้ผู้ปฏิบัตธิธรรมตามกรรมฐานจะเห็นกระแสแห่งมรรคผลที่ผ่านก็หลงก็ได้ลูกขึ้นมานันกระแสแล้วหลงที่ได้ลูกขึ้นมาไม่จนแล้ววันนี้มีกระแสแล้วเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้น เห็นหลงเห็นควไม่หลงรู้ขึ้นมาแล้มันทุกข์เห็นควไม่ทุกข์รู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่ากระแสแห่งมรรคแห่งคนไม่มืดแต่ก่อนความหลงเป็นความมืดความโกรธเป็นความมืดเรได้โกรธเราก็มองเห็นความไม่โกรธบันนี้โขอเอาทรรมเนี่ยมาส่องแสงสว่างให้เราได้เห็นกระแสแห่งการใช้ชีวิตของเรา การถึงปีใหม่แล้วส่งทายไปซะอัเก่าทิ้งไปซะหมดไปซะได้ประกาศเป็นอิสลาภาพธรรมะที่ปไต ย, ยะากายจิตใจของเรานี่ยเป็นธรรมะที่ปไต ย, ยะโตจากนี้ไปก็่าทุกข์ก็มาสุขที่เกิดขึ้นไปกับใจเจะไม่มีอีกแล้วไม่โอกาสเอาใจเป็นสุขเป็นทุกข์ ากายเอาใจมาเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาเหนือการเกิดแจ่เจ็บตายไม่ได้ตายเพราะเรื่องกายเร้อง จ, จิตใจประกาศออก ม, มาเลยจีเราลยพบเห็นเล้จีเาโดดถึงจุดยอดมงกุฎ ธ, ธรรมนะมงกุฎ ธ, ธรรมคือไม่เป็นอะไรกับอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นอึ้นมากับใจนี่ไม่เป็นอะไร กับเงินนี่จะเห็นไม่เป็นนี่มงกุฎธรรมเห็นจริงๆริงเงแจ้งร่มหลงไม่ใช่ความรู้แน่นอนความโกรธไม่ใช่ความไม่โกรธแน่นอนเลือกเป็นเลือกได้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลเนาะเป็นอริช็อปนะ เรามีคว่ำไม่หลงแน่นอนไม่มีชอบภายนอกแต่เราไม่ชอบภายในก็จะมีอืนอ่นชอบภายนอกก็มีไปแต่ขอเราเราขอมีความไม่หลงความไม่ทุกข์ความไม่โกรธเป็นในชอบภายในแต่ว่าถ้ามีชอบภายในแล้วก็ไม่ชอบภายนอกชีวิตของนักปวดชีวิตของานอะไอีกที่เกิดขึ้นกับมือใหนิ้วจิบนิ้วเราเนี จากจะทาจะโยงว่าแปรจะภาพมาเป็นของสองเจ้าไม่ใช่ของส่วนตัวเป็นสองเจ้าได้ชาหมองกดหนึ่งก็มาเป็นของสองเจ้าได้ข้าวได้น้า ม, มาก็เป็นของสองเจ้าไม่ใช่ของเจ้าเดียวนี่คือพระสง ที่มีเัดตาอาลามเป็นของสองเจ้าถ้าเป็นของสองเจ้าก็เป็นของร้อยคนท่านคนแด่งกันเป็นมีจีวรเหลือสองฝืนก็เจ็บเป็นของสองเจ้าโน่นขังจีวรอยู่สนุก ง, งานเต็มไปหมดใช่ไหมกี่ตู้ <laughs> ของสองเจ้ายาบูยาที่แนเป็นของสองเจ้า ไต็มไหมดเลยนะมาใช่นี่สติใช่ได้เลยเสือนอนหมอนมุ้งของสองเจ้าเอาหมอนปของสองเจ้าใช่ไหมเกินนีเกินสามปืนไม่ได้นะ <c oughs> และสุดขอ้อเจเวลากรบพพร้อมกัน